รู้จริงแล้วจัดให้ตรงรักษาพระไตรปิฎกเดิมไว้ได้เต็มดีจะค้นเอามาศึกษาได้เต็มที่การเลือกคัดพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกมาจัดทำหนังสือประมวลพุทธวจนะนี้ยังมีข้อควรรู้เข้าใจอีกบางประการจึงขอพูดเพิ่มอีกบ้างเริ่มแรกพึงรู้เข้าใจว่าพระไตรปิฎกที่มีปริมาณข้อมูลมากมาย จัดแบ่งตามแบบสยามรัฐเป็น45เล่มมากกว่า 20,000 หน้านั้นมีระบบการจัดลำดับหมวดหมู่ไว้อย่างดีแต่ระบบการจัดนั้นม่ใช่มุ่งสาหรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนแต่เป็นระบบที่วางไว้เพื่อความสะดวกและได้ผลดีในการเก็บรักษารวมทั้งการจัดแบ่งความรับผิดชอบในการเก็บรักษานั้นเพื่อความสะดวกได้ผลในการเก็บรักษานั้น ขอพูดคร่าวๆให้ดูการจัดพระสุตตันตะปิฎกเป็นตัวอย่างเริ่มต้นโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาสาระท่านเอาความยาวสั้นของพระสูตรทั้งหลายเป็นเกณฑ์ข้อแรกพระสูตรทั้งหลายที่ยาวมากๆนำมาเรียงลำดับรวมไว้ด้วยกันเป็นพวกหนึ่งเรียกว่าทีฆนิกายคือชุมนุมพระสูตรขนาดยาวมีเพียง34สสูตรแต่ใช้เนื้อที่หนังสือสามเล่ม พระสูตรทั้งหลายที่ยาวปานกลางจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรก็แล้วแต่นำมาเรียงรวมไว้ด้วยกันเป็นพวกที่สองเรียกว่ามัชชิมะนิกายคือชุมนุมพระสูตรขนาดกลางมี52สูตรก็ใช้เนื้อที่หนังสือสามเล่มเหลือจากสองหมวดนี้ก็เป็นพระสูตรค่อนข้างสั้นจนถึงเล็กๆน้อยๆซึ่งมีมากมายนักต้องวางเกณฑ์ใหม่ในการจัดหมวดหมู่ พวกหนึ่งจัดตามหัวข้อเรื่องคือบรรดาพระสูตรที่ว่าด้วยหัวข้อธรรมะเดียวกันเกี่ยวกับบุคคลจำพวกเดียวกันเป็นเรื่องของสถานที่อย่างเดียวกันเป็นต้นก็นํามาเรียงรวมไว้ด้วยกันเป็นสังยุตสังยุตคือเกี่ยวกับว่าด้วยเช่นเกี่ยวกับคันห้าก็รวมไว้ด้วยกันเป็นคันทะสังยุตเกี่ยวกับพระภิกษุก็รวมไว้ด้วยกันเป็นภิกขุสังยุต เกี่ยวกับพระเจ้าโกศลก็รวมไว้ด้วยกันเป็นโกสลละสังยุตเป็นต้นได้ทั้งหมด56สังยุตจัดเป็นหมวดที่สเรียกว่าสังยุตตานิกายหมวดนี้มีมากถึง 7,762 สูตรใช้เนื้อที่หนังสือห้าเล่มพวกต่อไปจัดตามจำนวนหรือตามตัวเลขคือบรรดาพระสูตรที่มีการนับจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้ ก็นำมาเรียงรวมไว้ด้วยกันตามจำนวนที่เท่ากันเท่ากันเป็นหมวด1หมวด2หมวด3จนถึงหมวด10หมวด11จัดเป็นหมวดที่4เรียกว่าอังคุตรนิกายหมวดนี้มีมากมายถึง 9,557 สูตรใช้เนื้อที่หนังสือ5้าเล่มเหลือจางนี้เป็นพวกเบตตะเล็ดมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวจัดเข้า4หมวดแรกไม่ได้ เช่นธรรมบทเทรคกถาเท ร, รีคถาชาดกมีมากมายถึง15คัมภคำ์ีจัดเป็นหมวดที่หเรียกว่าขุตกะนิกายกินเนื้อที่หนังสือเก้าเล่มนี่พูดถึงพระสูตร25ห้าเล่มให้เห็นเป็นตัวอย่างส่วนพระวินัยและพระอภิธรรมอีกยี่สิบเล่มขอเว้นไว้ผ่านไปก่อน แล้วท่านก็ตกลงกันแบ่งหน้าที่มอบหมายกันประสงค์กลุ่มนั้นคณะนั้นสายนั้นรับภาระศึกษารู้เชี่ยวชาญในหมวดทิฆนิกายทรงจําสัทญาย่แม่นยํารักษาไว้ให้มั่นคงเป็นพวกทิฆาพานกากลุ่มนั้นคณะนั้นหรือสายนั้นรับภาระรักษาหมวดมัชฌิมานิกายเป็นพวกมัชฌิมภานการับผิดชอบกันไปสืบทอดกันมา เป็นอันว่าที่ท่านจัดหมวดหมู่พระไตรปิฎกไว้นั้นเป็นระบบการเก็บรักษาไม่ได้จัดเรียงไว้ให้สะดวกสำหรับการเล่าเรียนแต่ถ้าใครจะศึกษาแบบว่าไปเรื่อยๆจะเรียงลำดับไปตามนั้นท่านก็ไม่ว่ายกตัวอย่างถ้าศึกษาเรื่อยไปตามลำดับที่ท่านจัดไว้เช่นจับพระไตรปิฎกเล่มสิบขึ้นมาเรียนเล่มนี้อยู่ในทีฆานิกายท่านจัดตามความยาวก็เอาพระสูตรยาวๆมาเรียงรวมกันไว้ เราจับที่มหานิทานสูตรพบกับหลักธรรมสำคัญใหญ่คือปฏิจจสมุปบาทที่ลึกล้ำละเอียดมากพอจบก็ขึ้นมาหาปรินิพานสูตรกลายเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติว่าด้วยพุทธกิจตอนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานจบแล้วขึ้นพระสูตรต่อๆไปพบกับเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนไปต่างเรื่องราวคนละอย่างคนละแนวเจอมหาสมัยาสูตร ก็เป็นเรื่องการชุมนุมครั้งใหญ่ของพวกเทวดาวระดับหนึ่งผ่านไปอีกหน่อยแล้วถึงมหาสติปัทานสูตรกลายเป็นเรื่องการเจริญสมถวิปัสนาที่เป็นหลักธรรมใหญ่ลึกซึ้งยิ่งพอจบไปขึ้นปายาสิราชัญญสูตรเปลี่ยนทันทีกลายเป็นเรื่องการพิสูจน์ตายแล้วเกิดทีนี้คนที่มุ่งไปในการศึกษาธรรมะเอาจริงเอาจัง ตอนนี้จะศึกษาหลักธรรมนี้หลักธรรมนี้เช่นจะศึกษาเจาะจงเรื่องสติปัฏฐานถ้ารู้เข้าใจระบบการจัดหมวดหมู่ของท่านชัดดีแล้วแทนที่จะอ่านหรือเรียนไปตามลำดับที่ท่านจัดเรียงไว้ก็ไปเก็บเอาเฉพาะเรื่องสติปัฏฐานมาจากที่โน้นที่นี่ได้มากมายกลายเป็นว่าเอาระบบการจัดการของท่านไปสนองวัตถุประสงค์ในการศึกษาของตนได้อย่างดี ผู้ที่จะศึกษาเรื่องราวหลักธรรมวิในจำเพาะอย่างจริงจังและตัวเองก็รู้ระบบจัดเก็บรักษาพระไตรปิฎกชัดด้วยเหมือนรู้คลังที่เก็บทุกแห่งก็ไปรวมเอาเรื่องที่ต้องการมาศึกษาได้เต็มที่เช่นว่าจะศึกษาธรรมะในหลักสติปฐานสถ้าหาไปตามลำดับก็ต้องอ่านพระไตรปิฎก45เล่มแต่เพราะรู้การจัดระบบที่เก็บก็ตรงไปเอามาจากคลังใหญ่ตรงนั้นตรงนี้ ได้จากแหล่งใหญ่คือจากหมวดพระสูตรขนาดยาวทิฆานิกายในเล่ม10ได้มหาสติปัฏฐานสูตรจากหมวดพระสูตรขนาดกลางมัชิมานิกายในเล่ม12สได้สติปัฏฐานสูตรจากหมวดพระสูตรจัดตามหัวเรื่องสังยุตนนิกายในเล่ม19ได้สติปัฏฐานสังยุตแถมจะเอาจากอภิธรรมปีดกด้วยเมื่อรู้ระบบดีก็ได้ ในเล่ม35มีสติปัฏฐานวิพังอย่างนี้พุทธวจนะที่ต้องการเราก็ได้ตัวพระไตรปิฎกที่ท่านรวมมาจัดเรียงเก็บรักษาไว้ก็ไม่เสียหายไม่แปรปรวนดังได้บอกแล้วในเวลายาวนานที่ผ่านมาผู้รู้หลายท่านทำกันมาแล้วในการเลือกคัดพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกมาจัดทำเป็นเล่มหนังสือ และตั้งชื่อให้รู้ว่าเป็นพุทธวจนะควรยกมาบอกไว้บ้างที่ประเทศศรีลังกาในปีพุทธศักราช2449ภิกษุชาวเยอรมันชื่อเดิมว่าแอนชอนได้บวชมาอยู่ในศรีลังกาตั้งแต่ยังหนุ่มจนเป็นพระมหาเทระผู้เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในศรีลังกาได้เลือกเก็บพุทธพจน์มาจัดเรียงทาเป็นหนังสือตั้งชื่อว่า The word of the Buddha แปลว่าพุทธวจนะตรงทีเดียวที่ประเทศไทยในพุทธศักราช2479พุทธทาสพิกขุพระเทระที่เคารพนับถือเป็นที่อ้างอิงมากเลือกเก็บพุทธพจน์มาจัดหมวดหมู่ทำเป็นหนังสือตั้งชื่อว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2482 F.L. Woodward ผู้แปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาอังกฤษในหมวดสังยุตตนิกายและอังคุตรานิกายให้แก่ภาลี Text Society ได้เลือกเก็บพุทธพจน์มาแปลเป็นภาษาอังกฤษจัดเรียงทำเป็นหนังสือตั้งชื่อว่า Some Sayings of the Buddha จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย o x f o r อร์จัดเข้าในชุด The World Classic เพื่อให้สั้นขอพูดรวมๆ ว, ว่า หนังสือที่ท่านทำกันมาทั้งหมดนี้เลือกคัดจากพระไตรปิฎกเอามาเฉพาะพุทธวจนะโดยทุกท่านนี้รู้ภาษาบาลีอย่างดีอ่านพระไตรปิฎกบาลีเองได้ลักษณะางานของทุกท่านนี้คือเลือกคัดพุทธวจนะมาจัดเรียงตามแนวหรือหัวเรื่องที่วางไว้อย่างที่ว่าแล้วคือให้ได้อ่านได้ศึกษาพุทธวจนะในเรื่องนั้นอย่างพร่อพร้อมหรือเพียงพอไปในที่นั้นเลย ไม่ต้องไปอ่านตรงนั้นทีตรงนี้ทีในพระไตรปิฎกของเดิมที่ท่านจัดเรียงไว้ตามระบบของการเก็บรักษา The Word of the Buddha ของพระมหาเถระชาวเยอรมันที่ไปบวชที่สีลังกานั้นชัดเจนจำพาะคือท่านตั้งหลักอริยสัจสี่เป็นโครงแล้วก็รวมพุทธพจน์เกี่ยวกับอริยสัจจากทั่วพระไตรปิฎกมาวางเรียงเข้าตามโครงเรื่อง ซึ่งก็คือหัวข้อที่ย่อยลงไปลงไปของหลักอริยสัจนั้นของท่านพุทธทาส ต, ตั้งพุทธประวัติเป็นโครงเรื่องแล้วรวมพุทธพจน์มาวางเรียงเข้าตามโครงเรื่องโดยมีพุทธเทศนาธรรมกถาและเรื่องราวมากมายพ่วงมากับเหตุการณ์ในพุทธประวัติหลังจากทาพุทธประวัติจากพระโอษแล้วท่านพุทธทาส ได้จัดทำหนังสือประมวลพุทธวจนะอีกหลายเล่มเช่นขุมท ร, รัพ ย, ย์จากพระโอส์อริยสัจจากพระโอส์ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอส์โดยมีลักษณะงานอย่างที่กล่าวแล้วส่วน Some s a y i n g ฟติบุดด h าของเอฟแอลวูดเวิเท่าที่พอจำได้เพราะตอนนี้ไม่มีเล่มหนังสืออยู่ใกล้ถิ่นที่พักดูเหมือนว่าท่านผู้รวบรวม มุ่งจะให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาจากพุทธวจนะที่ท่านรวมมาเรียงไว้ในหนังสือเล่มเล็กๆนั้นจึงมีพุทธประวัติเป็นจุดตั้งต้นโยงไปยังพุทธพจน์ต่างๆที่จะให้รู้จักเข้าใจลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนารวมแล้วทุกท่านที่กล่าวมานั้นทำงานเหล่านี้ขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชาวพุทธและบรรดาผู้ศึกษา ที่จะได้รู้จักและเข้าถึงธรรมวินัยในพระไตรปิฎกได้สะดวกขึ้นโดยเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่ช่วยในการศึกษาพระไตรปิฎกช่วยนําให้เข้าถึงพระไตรปิฎกซึ่งเมื่อเขาคุ้นกับเนื้อหาในหนังสือประมวลพุทธวจนะเหล่านี้แล้วต่อไปเขาก็จะเข้าไปศึกษาถึงตัวพระไตรปิฎกเองได้อย่างโปร่งโล่งคล่องแคล่วมากขึ้นนี่คือเป็นหนังสือประกอบพระไตรปิฎกไม่ใช่มาแทนพระไตรปิฎก ทุกท่านรู้ตระหนักอยู่ว่าหนังสือของท่านนี้เป็นคำแปลดังที่ว่าเพื่อช่วยคนทั่วไปมีโอกาสรู้จักคำสอนในพระไตรปิฎกมีฐานะในระดับของพระไตรปิฎกฉบับแปลทั้งหลายที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นต้นอย่างขึ้นต่อการแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่จะแทนพระไตรปิฎกของเดิมตัวจริงที่เป็นภาษาบาลี เป็นอันว่าหนังสือประมวลพุทธวจนะทั้งหลายดังได้ยกตัวอย่างให้ดูนั้นมาประกอบมาเสริมมาแวดล้อมพระไตรปิฎกให้เห็นตัวเห็นองค์พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงนั้นปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นมีได้ไปแตะต้องเนื้อตัวของพระไตรปิฎกให้มัวหมองบุกช้ำล่อนหลุดปริแตกเสียหายแต่อย่างใดทั้งนี้โดยหวังจะใหมวลประชาทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้ามีโอกาสสัมผัส และเข้าถึงพระไตรปิฎกเสมอเหมือนเท่าเทียมกันทุกยุคทุกสมัยในภาวะที่พระไตรปิฎกคงอยู่เต็มสภาพโดยมีพุทธวจนะเด่นชัดอยู่ท่ามกลางในวงล้อมของบุคคลเหตุการณ์ลทัทธิศาสนาวัฒนธรรมประเพณีตามกาลเทศะแห่งยุคสมัยซึ่งเคลื่อนไหวใ ห, ให้เรามีโอกาสได้รู้เห็นมองธรรมวินัยได้เด่นชัดขึ้นนั้น โอกาสยังมีมากกว่าที่พูดมาแล้วนั่นอีกเช่นว่าต่อไปบางคนอาจคิดบ้างก็ได้ว่าครั้งนี้เราจะไม่คัดพุทธวจนะออกมาละ่ะแต่จากพระไตรปิฎกนั่นแหละเราจะเลือกคัดเอาถ้อยความที่บอกเล่าความคิดความเชื่อวิถีชีวิตและข้อปฏิบัติของโยคีหรือศีดาบทเป็นต้นที่เป็นภูมิหลังของชมพูทวีปออกมาให้ดูเพื่อจะได้มองเห็นว่า เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วลัทธิความเชื่อถือใดถูกชี้ให้เลิกละอันที่ทรงเน้นให้หลีกเว้นให้เลิกละเป็นอย่างไรอันไหนเลือนลางเสื่อมหายอันไหนเปลี่ยนแปลไปอย่างไรดังนี้เป็นตน้นจากพระไตรปิฎกที่คงเดิมอย่างนี้นี่ก็ทำได้